เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมวันนี้จะบรรยายในหลักสูตรของนัตรุมชันตรีเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องขันห้านะเรื่องขันห้าคําว่าขันนี้แปลว่ากองนะแปลว่ากองหรือแปลว่าหัวดหมู่ก็ได้นะกายกับใจนี้แบ่งออกเป็นห้ากองนะเรียกว่าขันห้า ขันห้าก็มีหนึ่งรูปประขั น, นกองรูปสองเวทนาขันกองเวทนาสามาสัญญาขันกองสัญญาเอสังขารละขันกองแห่งสังขารห้าวิญญาณขันกองแห่งวิญญาณทั้งห้านี่แหละเรียกว่าขั น, เ, นเรียกว่าขันห้าฉะนั้น <c oughs> ก็จะขยายให้กว้างขวางออกไปกว่า ธาตุสี่ก็คือดินน้ำไฟลมประชุมกันเข้าเป็นกายเรียกว่ารูปเรียกว่ารูปหรือเราเรียกว่ารูปประคันนั่นเองเป็นกองรูปนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองความรู้สึกอารมณ์ว่าเป็นสุขคือความสบายกายสบายใจหรือเป็นทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจหรืออุเบกขาคือวางเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนานคือการสวยอารมณ์ในข้อที่สามที่บอกว่า ความจำได้หมายรู้คือจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำการสัมผัสอันเกิดขึ้นกับใจตัวนี้เรียกว่าสัญญาคือความจำได้หมายรู้ตัวที่สี่กองที่สี่คือเจตสิกธรรมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจที่เป็นส่วนดีก็เรียกว่ากุศลที่เป็นส่วนชั่วก็เรียกว่าอกุศลที่เป็นส่วนกลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็เรียกว่าอัพญาิฏอย่างนี้เรียกว่าสังขารนนเรียกว่าสังขาร กองที่ห้าความรู้อารมณ์ในเมื่อเวลาเมื่อรูปมากระทบทางในตาแล้วก็เสียงมากระทบทางหูกลิ่นมากระทบกับจมูกรสมากระทบกับลิ้ น, นแล้วก็กายมีการมีการสัมผัสมีการสัมผัส ถ, ถูกต้องกัน อ, อันนี้แหละเรียกว่าวิญญาณวิญญาณฉะนั้นเมื่อจะพูด ขยายให้กว้างออกไปแต่และข้อก็ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นก็คือว่าคําว่าขันนีแ้แปลว่ากองแปล ว, ว่ากองโดยอธิบายว่ารูปก็เป็นกองกองหนึ่งคือกองรูปเวทนาก็เป็นกองกองหนึ่งคือกองเวทนานสัญญาก็เป็นกองกองหนึ่งเรียกว่ากองสัญญา สังขารก็เป็นกองกองหนึ่งเรียกว่ากองสังขารวิญญาณก็เป็นกองกองหนึ่งเรียกว่ากองวิญญาณแต่และอย่างล้วนเป็นกองกองหนึ่งดังนี้จึงมีชื่อเรียกว่าขันห้ายิ่งไปกว่านั้นอเราจะได้ทราบว่าไอ้ความพร้อมมูลหรือความฟองดองแห่งขันห้านี้อที่ธรรมดาคุมกันเข้าเป็นสังขารคุมกันเข้าเป็นสังขารหรือ ขันหานี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงยกขึ้นเทศในเวลาได้ตรัสรู้ใหม่ทีเดียวเรียกว่าอนัตตลกนณสูตรนอนัตตลกนณสูตรคือเป็นเทศนากันที่สองรองจากธรรมจักกัปวัตนสูตรนในเทศนานั้นทรงยกตนขึ้นปฏิเสธทรงยกตนขึ้นปฏิเสธเพราะคนในครั้งก่อนนั้นมีความเข้าใจว่า ในตัวของเรานั้นมีธรรมชาติอย่างหนึ่งสิงอยู่ในสรีระเหมือนคนอยู่ในเรือในเรือนสําเร็จอัตภาพเป็นผู้มีความรู้สึกเป็นผู้สวยสุขทุกข์เปล่าโดยรวบยอดก็คือว่าเป็นผู้ทํากิจของมโนธาตุเป็นสภาพยั่งยืนไม่รู้จักดับในเวลาในเวลาโมระธรรมชาตินี้ก็จะออกจากสรีระนะออกจากสรีระไปอย่างนี้แหละนี่เป็นความเชื่อของคนในสมัยก่อนนะแล้วก็ เมื่อออกไปแล้วก็ไปตั้งใหม่นะลําพังสรีระของเราก็เลยสุดส้มไปธรรมชาติอันนี้เรียกาตามศัพท์ในทางภาษามราพูว่าอัตตานะเรียกว่าอัตตาแต่ในศัพท์ในภาษาสันนิษฐเรียกว่าอัตมันแปลว่าตนนะแปลว่าตนฉะนั้นจะเป็นอัตตาหรือจะเป็นอัตมันก็แล้วแต่ทั้งทั้งหมดนี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้น เมื่อเราทราบอย่างนี้แน่นอนที่สุดว่าขันห้าถือว่าเป็นภาระที่เราทุกคนนั้นจะต้องบริหารอยู่ตลอดเวลานะเป็นภาระที่เราต้องคอยบำรุงบำเรอกันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นขันห้านี้จึงเป็นที่ประชุมแห่งความทุกขนะ์จึงเป็นที่ประชุมแห่งความทุกข์ต่างๆนะฉะนั้นเมื่อคนเรามีขันห้าเสแล้วแน่นอนที่สุดความความทุกทุกสิ่งทุกอย่างก็มารวมลงอยู่ในที่นี้ นะมารวมลงอยู่ในที่นี้เราจะเห็นได้ว่ารูปนี้ถ้าหากว่าในกองรูปนี้แบ่งออกเป็นใหญ่ๆสองอย่างก็คือมหาภูต ร, รูปเรียกว่ารูปใหญนะ่ก็คือดินน้ำไฟลมนะดินน้าไฟลมรูปเล็กก็เรียกว่าอุปาทายรูรคือรูปอาศัยนะอาศัยมหาภูต ร, รูปอยู่อีกทีหนึ่งนะนี่เป็นรูปอาศัยทั้งรูปสองอย่างนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะตราบใดที่ยังมีเหตุมีปัจจัย อ่็เกื้อกูณกันอยู่ยังปลองรองกันอยู่ก็ทําให้เราดํารงชีวิตอยู่ได้นะเราดํารงชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าหากว่ า, าดินน้ําไฟลมหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหมดเหตุหมดปัดจจัยไปยังไ ม, ไ, มไม่ไม่มีการปลองรองกันไม่มีการเกื่อกูณกันไม่มีการประชุมกันแน่นอนที่สุดไอ้ธาตุต่างๆมันก็แยกกันไปนะเราก็จะอยู่ไม่ได้นะก็คือเสื่อมไปแล้วก็ที่สุดก็คือตายนั่นเองนะนี่เป็นของแห่งรูปแราะในข้อที่บอกว่า เวทนาเหมือนกันนะเวทนาก็คือตัวสวยอารมณ์สุขทุกตัวสวยอารมณ์สุขทุก อ, อุเบกขาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราเกิดอารมณ์พอใจแน่นอนที่สุดมันก็เกิดสุขเวทนาเกิดอารมณ์ไม่พอใจมันก็เป็นทุกขเวทนาแต่ถ้ารู้รู้สึกเฉยเฉยมันก็เป็นอุเบกขาเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์นะเป็นอุเบกขาเวทนาฉะนั้น ตัวเวทนานี่แหละมันเป็นตัวแสวงอารมณ์นะเป็นตัวแสวงอารมณ์แล้วก็เสวยอารมณ์นะแสวงด้วยแล้วก็เสวยด้วยนะเมื่อมันเสวยแสวงอารมณ์ก็แน่นอนที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่จีรังยั่งยืนก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่าคนเรานั้นมีอารมณ์ไม่มีที่สิ้นสุดนะเมื่อได้สุขอย่างนี้แล้วก็อยากได้สุขให้มากขึ้นไปอีกนะเนี่ย อยากได้สุขให้มากๆขึ้นไปเรื่อยจนเป็นตันหานนี่แหละไอ้ตัวเวทนาเนี่ยเราําให้เกิดตันหามเต็มนะในสุขนะพอเราประสบอารมณ์กับในสิ่งที่มันเป็นทุกข์เราก็ไม่ปรารถนานะไม่ปรารถนานะเราไม่อยากไม่ต้องการกับอารมณ์อย่างนี้เพราะมันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นความเดือดร้อนนะอย่างนี้มันก็ทําให้เกิดทุกขเวทนานะ naire. เมื่อ <Queen. S 2> เมื่อเราประสบกับทุกขเวทนาเราไม่ปรารถนาเราก็อยากให้มันออกจากเราไป เมื่อมันไม่ออกไปเราก็เกิดโทสะนะเกิดโทสะอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งแห่งใจหรือเกิดความอาฆาตเกิดความพยาบาทจนถึงที่สุดก็คือมีการทำร้ายร่างกายกันหรือมีการทะเลาะวิวาทจนถึงทีสุดฆ่ากันตายก็มีนี่แหละมันก็กลายเป็นตัวพยาบาทตัวอาฆาตมาลายก็หนักขึ้นไปอีกนะหนักขึ้นไปตอนี้ถ้าว่าเรารู้สึกเฉยเฉยนะเรียกว่าสุขก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์อันนี้มันก็อยู่กลางๆเป็นอุเบกขาเวทนา แต่จะยังไงก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราอย่าไปติดในสุขเราอย่าไปติดในทุกคนที่ติดอยู่ในสุขในทุกนั่นแน่นอนที่สุดจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์อยู่หรือความเดือดร้อนนะไม่มีความพอดีนะไม่มีความพอดี <นะ S 2> อาจจะต้องเลือกที่รับนักที่ชังเคยทานอาหารมีน้ำปล า, าไม่มีน้ำปลาก็รู้สึกมันเป็นทุกนะเคยนอนบนที่นอนอันนุ่มนิ่มแต่ว่าไปนอนกับพืน้นกระดาน ก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์อีกนั่นแหละน่ะเป็นทุกข์อีกแหละไม่ปรารถนาไม่พอใจนะเคยไปไหนได้นั่งรถสะดวกสบายแต่รู้สึกว่านี้นั่งเบียดเบียดการรู้สึกมันก็เป็นทุกข์อีกนั่นแหละเนี่ยมันเกิดทุกขเวทนาทางนั้นแต่ทีนี้พอเราได้สุขเราเคยทานอาหารดีๆอยู่ตลอดเวลาก็รู้สึกว่าอยากให้มันดีขึ้นไปเรื่อยเนี่ยมันเกิดความอยากขึ้นเรื่อยนะเกิดความอยากขึ้นตลอดเวลาอเราเคยนอนอะสะดวกสบายอ่ะ เราก็ทําให้เรากระตันายิ่งยิ่งสกยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยมันเกิดตัญหามา ก, กขึ้นทําให้จิตใจของเรานี่เกิดความไฟฝันเกิดสร้างวิมานในอากาศเกิดวิตกเกิดวิจารณมากขึ้นขึ้นไปอีกนี่แหละมันก็เป็นสุขเวทนาฉะนั้นขอให้เราได้มาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนนะไม่จีรังยั่งยืนมาในข้อที่สามที่บอกว่าสัญญา คือความจำได้หมายรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำการสัมผัสนะในอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจนะที่เราเรียกว่าสัญญาในสัญญานี่เหมือนกันมันก็ไม่เที่ยงนะมันก็ไม่เที่ยงสัญญานี่มันก็ไม่มีตัวไม่มีตนอีกเหมือนกันนะมันมีการเสื่อมได้นะมีการเสื่อมได้ทอนี้สัญญาอย่างพวกเราเนี่ยมันเป็นสัญญาที่ทขาดปัญญา เป็นสัญญาที่ขาดปัญญาสัญญาที่ขาดปัญญาก็คือว่ารู้ไม่จริงตามความเป็นจริงรู้ไม่จริงตามความเป็นจริง <c oughs> เขาบอกว่าเขาเปรียบเหมือนสัญญาเหมือนกับว่ามันมีอยู่สามระดับระดับแรกก็คือสัญญาเหมือนกับอย่างเด็กๆระดับปานกลางก็เหมือนกับคนสามัญทั่วไป เ, เหมือนกับคนสามัญแล้วก็ในระดับสูงก็ เหมือนกับอืนักปราศหรือว่าคนฉลาดเหมือนกับว่าเอาเหรียญห้าเราเอาเหรียญบาทหรือเหรียญห้ามานี่ให้เด็กดูเด็กมันดูก็อาจจะรู้เพียงแค่ว่าสีขาวนะสีขาวแค่นั้นเองแต่มันจะไม่รู้หรอกว่าเป็นเหรียญห้าหรือว่าเหรียญบาทมีรูปอะไรตัวหนังสืออะไรมันไม่รู้นะเด็กที่ไรเดียนสาแต่ทีนี้เอามาให้ระดับคนชาวบ้านดูก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เป็นเหรียญบาทนี่เป็นเหรียญห้า มีประโยชน์ใช้ได้อ่านหนังสือออกว่าเขาเขียนว่าอะไรเขาเลอว่าไงในที่นั้นนี่เป็นตัวสัญญารู้อย่างรู้อย่างชาวบ้านแต่ว่ารู้อย่างขุนคลังหรือว่านายกระสาบนั้นย่อมจะรู้ว่านี่คือเหรียญห้านี่คือเหรียญบาทและเหรียญอันนี้มันทามาจากอะไระเหรียญ น, นี้ทำมาจากอะไระผสมด้วยอะไรนี่รู้สมุดฐานรู้เหตุ อ آ, รู้เหตุที่ให้เกิดในความเป็นเหลี่ยนนี้ได้รู้อย่างนี้เลยรู้อย่างนากระสาบหรือว่ารู้อย่างนายขุนคลังนะเฉะนั้น้สัญญาคือความจําได้หมายรู้ของเรานี่บางครั้งเราก็จําไม่ได้นะบางครั้งก็เสื่อมอนะบางครั้งเราก็จําผิดนะบางครั้งเราก็จําผิดนะบางครั้งเราก็คิดผิดจําผิดอันนี้มีอยู่เยอะแยะนะแล้วเราก็มักจะพูดกันว่ามาตบอกตบไหลกันบอกไหมขอโทษจําไม่ได้ปรนะมาณนี้จำไม่ได้อันนี้มีอยู่เยอะนะมีอยู่เยอะ หรือยิ่งเราอยู่ในวัยมีอายุมาก <c oughs> ก็ไอสัญญาต่างๆมันก็ยิ่งเสื่อมไปนะยิ่งเสื่อมไปจําไม่ได้บางครั้งกินแล้วก็งอ่าไม่ได้กินนะนะไอที่ไม่ได้กินก็บอกว่ากินแล้วเนี่ยมันวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แล้วก็พอสังขารมันเสื่อมไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เสื่อมตามไปด้วยแน่นอนที่สุดก็ทําให้เรานั้นจําได้ลางๆ นะรูปก็จําได้ลังลางนะนี่มันรูปอะไรบางคนขอประทานโทษเขาบอกว่ายอมคนหนึ่งนแกอายุักประมาณหกสิบเจ็ดสิบได้แกไปถ่ายรูปนะคนโบราณนี่ไม่กล้าถ่ายรูปนะเพราะอะไรเพราะว่าถ่ายรูปแล้วบอกว่าจะทําให้อายุสั้นแกไม่กล้าถ่ายเมื่อแกไปถ่ายรูปแล้วก็ถูกรูกรู ป, ปเอาไปถ่ายรูปถ่ายแล้วก็รูปเอารูปมาให้ดูบอกแม่ดูรูปนี้ทีนะ แกหยิบรูปมาดูแกก็ อ, อมองซ้ายมองขวาตะแคงดูแกบอก อ, อบอกว่ายายคนนี้เหมือนเคยเห็นนะแกบอกว่าเหมือนเคยเห็นนี่มันรูปใครนี่เหมือนเคยเห็น อ, อลูกก็บอกอาก้าวเขรูปของแม่สิย่างงั้นเหรอบอกดูประพิมประพายว่างั้นนะอดูประพิมประพายคลับคล้ายคับคลาะว่าอย่างนั้น น, น, น, น, นี่แหละบางคนก็เลยว่าแม้กระทั่งรูปตัวเองก็จําไม่ได้นี่จําไม่ได้เสียเหมือนกันทุกครั้งเราจําได้ นี่เป็นเสียงลูกของเราอ่นี่เป็นเสียงคนโตนี่เป็นเสียงลูกชายนี่เป็นเสียงลูกหญิงอนี่เป็นเสียงพ่อนี่เป็นเสียงแม่อะไรนี่เราจําได้นี่เป็นเสียงเป็ดเสียงไก่เสียงกาเสียงวัวเสียงควายเสียงช้างเสียงมาอันนี้เรารู้นะเสียงรถเสียงอะไรนี่เรารู้นี่แหละคือตัวสัญญาแต่บางครั้งเราก็จําไม่ได้จาไม่ได้เสียงมันพุดธไปหมดเลยคอยจําได้ว่าในสมัยหนึ่งอนั่งทําวัดอยู่ใน พระโวสถดวัดหมหาธาตุในฤดูฝนปรากฏว่าเมื่อฝนตกมากๆก็ทําให้น้ํานั้นขังมากให้เสียงกบเขียดมันก็ร้องระ ง, งมไปหมดเลยนะตอนนั้นก็มีอัคเถระองค์หนึ่งท่านอายุตั้ง80กว่านะใกล้ๆอย่าง9อท่านก็บอกว่าเสียงเด็กอะไรมาเหตุหมดนะอา่าให้บอกให้พระนะ่ะไปบอกให้เด็กนะั้นอย่ามาเล่นใกล้ๆเขาก็บอกว่าเสียงกบเสียงเขียดครับ ท่านบอกเสียงกรกเสียงเคียดอะไรก็เสียงเด็กน่ะมาร้องเล่นอะไรกันเจียวจ้าให้เรางงไม่หมดเขาบอกเสียงกบเสียงเคียดครับอท่านก็ยังไม่เชื่อท่านยังดุอีกบอกให้ลุกออกไปท่านน่ะให้ลุกออกไปดูออกไปบอกว่าย้ายมาเล่นกันนี้ในขณะที่พระสงฆ์องค์เลนกําลังทําวัดนี่อันนี้ก็คือเรียกว่าท่านก็จําเสียงผิดไปไอ้เสียงกบเสียงเคียดกลายมาเป็นเสียงผู้เสียงคนไปนี่อันนี้มันก็เป็นธรรมดาของสภาวธรรมนะของสภาวธรรม กลิ่นก็เหมือนกันอบางครั้งเราเจ้าจํำกลิ่นผิดจํากลิ่นผิดเฉะนั้นไอ้เรื่องจํากลิ่นผิดนี่ก็เป็นการที่ทําให้ถูกหลอกต้มกันมากแล้วนะทําให้เราต้องเสียผู้เสียคนมาก็เยอะแล้วอว่าเราเอ๊ะมันเคยกลิ่นนี้ฉะนั้นเขาก็เลยหาวิธีการเอาไอ้กลิ่นอันนั้นแหละเอามายอมข้างหน้าซะหน่อยแต่เพราะนานแล้วไอ้กลิ่นไอ้กลิ่นปลามันก็หายไปนไอ้กลิ่นที่แท้ก็คือไม่ใช่ของจริงนั่นเองฉะนั้น ไอ้เรื่องเปิ่นนี่ก็สําคัญฉะนั้นคนที่เอติดโรคติดเสียงติดเปลี่นติดรถแน่นอนที่สุดบางครั้งก็ผิดพลาดบางครั้งก็เรียกว่าถึงกับเสีย อ, อกเสียใจเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการฆ่ากัานตายก็มีเกิดการฆ่ากัานตายก็มีฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องติดรถก็เหมือนกั น, นคนที่ติดรถก็แน่นอนที่สุดทําอะไรก็มักจะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนบางครั้งก็อยู่ในบ้านนี่เรียกว่ารถมันไม่ดี นะรถมันไม่ดีต้องไปหาอาหารทานนอกบ้านหรือบางทีนอกบ้านก็ที่ไหนเขาบอกว่าดีก็เอาไปขับรถไปผลที่สุดเป็นไงให้คนติดรถบางทีก็กินจะมากเกินไปก็เกิดความเมาเมาก็ขับรถมาก็รถชนกันบ้างหรือว่าอตกถนนไปบ้างนะชนข้าวถนนไปบ้างลาวถนนบ้างก็ถึงแก่ความตายนี่มันก็เนื่องมาจากการติดรถนั่นเองนะในการสัมผัสก็เหมือนกันเย็นร้อนอ่อนแข็งนะ อันนี้คนเราก็ติดกันลหลงไหลกันนะอยากได้ไอ้แข็งเกินไปก็ไม่ชอบอ่อนเกินไปก็ไม่ชอบชอบในระหว่างแข็งระหว่างอ่อนก็คือความนุ่มนิ่มนั่นเองดังนั้นเมื่อเราติดไอ้ความนุ่มนิ่มนี่เนี่ยมันก็มีทุกข์ขี่โทษทําให้เราต้องสแสวงหาเกิดตัวตันหามากขึ้นขึ้นนะเกิดตัวตันหามากขึ้นขึ้นมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นความเดือดร้อนเกิดความกังวลกวายต้องให้สแสวงหาอยู่เรื่อยดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าไอ้ตัวสัญญานี่อ่ามันก็ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกับต้นกล้วยนะไอ้ต้นกล้วยเนี่ยมันก็ยังว่าแหละมันก็เรียกว่าเรามันไม่มีอะไรเป็นสาระแน่นอนนะมันไม่มีแก่นไม่มีสาระอะไรตัวสัญญาเหมือนกันมันไม่มีแก่นมีสาระอะไรอ่านะมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะอันนี้ก็เป็นตัวสัญญามาในตัวที่สี่ก็คือเจตสิกธรรมนะเจตสิกธรรมก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ ถ้าเป็นส่วนดีนะก็เรียกว่ากุศลนะถ้าเป็นส่วนชัว่วก็เรียกว่าอกุศลถ้าเป็นส่วนกลางกลางไม่ดีไม่ชัว่วก็เรียกว่าอัิญากฤิจนะเรียกว่าอัิญากฤตอันนี้เราเรียกว่าสังขารนะเรียกว่าสังขารทีนี้คําว่าสังขารเนี่ยมันก็ไปพ้องกับในสังขารสองก็มีในสังขารสามก็มีนะมันก็ไปพ้องกันแต่ว่าความหมายนั้นย่อมแตกต่างกันนะ สังขารสังขารในนนสังขารสองสังขารสามนั้นต่างกับสังขารห้าต่างกับสังขารในขันห้าสังขารสองนั้นหมายถึงการปรุงแต่งในทางร่างกายนะเป็นสังขารหมายถึงการปรุงแต่งในทางร่างกายแต่ว่าสังขารในขันห้านั้นหมายถึงการปรุงแต่งจิตใจให้เกิดชอบชังให้เกิดความโลภความโกรธความหลงนี่ตัวตัวสังขารในขันห้าเป็นอย่างนั้นนะดี 5. รงแรงให้เกิดดีก็คือให้ทําให้เราในคิดทําบุญสุนทานมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอ่าอันนี้เป็นเป็นสังขารในทางที่เป็นกุศลนะคิดอยากพูดดีคิดอยากทําดีอ่านะอยากช่วยเหลือเกือเก้อกูลผู้อื่นนี่เป็นเป็นปุญญาพิสังขารนะส่วนที่สังขารที่คิดไปทางอชังหรือไปในทางโลภอดหลงก็เป็นอปุญญาพิสังขาร คิดแต่ในทางทำลายคิดแต่ในทางที่สิ่งที่ไม่ไดีงามเกิดความโลรอความโกรธความหลงนะอันนี้ก็มีทุกมีโทษก็คือว่าทําให้ให้ใจของเรานั้นเดือดร้อนกระวนกระวายนะอันนี้ก็เป็นไปนในทางที่ไม่ดีไม่งามอส่วนที่ไม่ดีไม่ชัว่วก็คือเรียกว่าอภิญาเกิดก็คืออยู่กลางกลางนะอยู่กลางกลางอ่านะนี่เป็นเรื่องของสังขารนะเป็นเรื่องของสังขารทีนี้เราก็ต้องพิจารณาว่า ทั้งกุศลก็ดีอกุศลก็ดีมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จรังยั่งยืนนะไม่จีรังยั่งยื น, นะยยนฉะนั้นเราจะต้องรู้เท่าทันต่อสภาวะของสังขารว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่จีรังยั่งยืนไม่มีอะไรแน่นอนนะก็จะทําให้เราเกิดความสบายกายสบายใจแต่นอาการสุดท้ายก็คือว่าความรู้อารมณ์ในเมื่อเวลาอารมณ์นั้นมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางเลนทางกายทางใจ นะะคำว่าวิญญาณนี้แปลว่าความรู้สึกหรือว่าความรู้แจ้งรู้แจ้งทางไหนรู้แจ้งทางตานะรู้แจ้งทางตาในเมื่อมีอารมณ์มากระทบทางตาคืออะไรรูปอารมณ์มากระทบทางตาเราก็เห็นรูปนอะนะ huh. รูปกับตามากระทบกันก็เป็นจักขุสัมผัสนเมื่อเป็นจะักขุสัมผัสนอคําว่าสัมผัสก็หมายถึงว่ากระทบกันถูกกันก็เกิดเวทนาจักขุสัมผัสสัชาเวทนา เกิดเวทนาขึ้นแล้วถ้าโรคนั้นเราพอใจก็เป็นสุขเวทนาถ้าโรคนั้นเราไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาถ้าหากว่าเราอยู่วางกลางเฉยเฉยก็เป็นอุเบกขาเวทนาฮะนี่มันในในที่สองก็คือว่าเมื่อหูไปกระทบกับเสียงนนี่หูไปกระทบกับเสียงไอการกระทบกันก็เรียกว่ามีการสัมผัสนะนมีการสัมผัสกันระหว่างเสียงกับหูนะ โสตสัมผัสขึ้นมาแล้วนะเมื่อสัมผัสขึ้นแล้วก็เกิดวิญญาณนะเรียกว่าโสตะวิญญาณนะในการสัมผัสเกิดโสตะวิญญาณเมื่อเกิดวิญญาณก็เกิดเวทนาอ่านะโสตะสัมผัสสัจชาเวทนาก็เกิดความสแสวงอารมณ์ในในที่ที่มันมากระทบทางหูถ้าเป็นเสียงดีเราก็เกิดความพอใจนะเกิดความพอใจถ้าเสียงไม่ดีเราก็ไม่พอใจนะ ไม่พอใจอันนี้ก็อเรียกว่ามันก็เกิดทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาเกิดคู่กันเอยแต่ถ้าเรารู้สึกเฉยๆมันก็เป็นอุเบกขาเวทนาอีกเหมือนกั น, นะในทางจมูกก็เหมือนกันอถ้าไปกระทบกับกลิ่นนคานะคานะสัมผัสนคานะสัมผัสก็เกิดขึ้นคานะวิญญาณความความรู้ในอารมณ์นอารมณ์ที่มากระทบทางจมูกวันนี้เป็นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็น หรือเป็นเป็นอย่างไรนี้เรารูนะ้ดีไม่ดีอย่างไรนี่เรารู้นี่แหละเป็นเมื่อเรารู้อย่างนี้แน่นอนที่สุดก็เกิดเวทนาเนะเรียกว่าเป็นคาณะสัมผัสสัจชาเวทนานะก็เกิดเวทนาในทางเปลี่นขึ้นถ้าเลี่ยนดีเราก็พอใจก็เกิดสุขเวทนาเป็นไม่ดีเราไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาถ้าอยู่เฉยๆก็เป็นอุบเบกขาในในอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันนะ จะเป็นการสัมผัสก็เหมือนกันใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันมันมีทั้งอิทธารมณ์และอนิจธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาอารมณ์ที่น่ารักก็คือที่เราพอใจอารมณ์ที่ไม่น่ารักไม่น่าใคร่ก็คืออนิจธารมณ์ที่เราไม่พอใจดังนั้นถ้าเราอยู่กลางๆมันก็จะทำให้เรามีความสบายกายสบายใจนะนี่เป็นเรื่องของวิญญาณคือความรู้สึกแต่ที่นี้พอพูดถึงวิญญาณบางทีเราก็ไปเข้าใจว่าวิญญาณก็คือมันจะต้องล่องลอยไปเหมือนเราเคยดูหนังเรื่องผีกระสือบ้างนะ วิญญาณจะต้องล่อ ง, องล อ, งอยไปอย่างนั้นล่องรอยไนี้ก็เลยทาให้เรากลัวกันนะกลัวกันอเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคําว่าวิญญาณในที่นี้หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะทางกายทางใจอ น, นี่เป็นเรื่องของขันห<ม>้าทีนี้ก็ถ้าจะมีคําถามขึ้นมาว่าการที่เราได้เรียนรู้ถึงขันห้านี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะ แน่นอนที่สุดการที่เราเรียนรู้ขันห้าก็จะทําให้เรานั้นเกิดประโยชน์ก็คือว่าให้รู้ตามสภาวะธรรมดาของร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงขันห้ามาประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อรู้ตามความจริงก็จะทําให้เรานั้นละความยึดมั่นถือมั่นเสียได้ไม่หลงในอํานาจไม่หลงในความแปรปรวนของขันห้าหรือของเบญจขันนั่นเองนะไม่หลงแล้วในี้เราโดยมากก็คือไปหลงในความแปรปรวน เพราะว่าเบญจขันธ์นั้นเป็นที่เกิดแห่งกองทุกทั้งปวงมีชาติทุกขเป็นต้นนเหมือนกับผืนแผ่นดินเป็นที่เกิดแห่งพฤกษาชาติทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นพอมีขันธ์ห้ามันก็เป็นวัตเกิดแห่งทุกทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างเลยไอ้ที่เราว่าสุขนั้นเพราะมันทุกน้อยเพราะมันทุกน้อยพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปนี่ฉะนั้นจึงบอกว่าสังขารนี่มันเป็นทุกข์นะมันเป็นภาระที่เราจะต้องคอยประคับประคองคอยบริหารเดี๋ยวมันก็เกิดโรคนอนโรคนี่สารพัดโรคมันปวดมันเมื่อยแหม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่เราต้องแบกต้องหามันไว้ต้องประคับประครองมันไว้ต้องคอยฝึกคอยฝนมันไว้ต้องคอยนวดกันอยู่เรื่อยตลอดเวลานะเดี๋ยวต้องเข้าโรงพยาบาล เข้าโรงพยาบาลก็ไม่หายก็ต้องไปหากันที่ไหนก็ว่าหมอดีก็ตายกันสารพัดนี่เพราะอะไรก็เพราะสังขารตื่นขึ้นเช้าที่เราแย่งกันขึ้นรถขึ้นเรือตามถนนหอนทางพลุกพ่านนี่ก็เพราะอะไรนี่แหละก็เพราะตัวขันห้านี่แหละอทํามีขันห้าตัวอย่างเดียวแค่นั้นแหละทำให้เราต้องเดือดร้อนกันไปหมดเลยเราต้องไปแสวงหาในการทํามาหากินอก็มีการแข่งแย่งกันมีการกระทบกระทั่งกันอิจฉาเสียกันกองกันจกจิงวิ่งราวกันเนี่ยก็เพราะ เรื่องขันห้านั่นเองนะถ้าไม่มีขันห้าเสร็จแล้วก็สบายนะก็สบายทีนี้มีข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าหากว่าจะมีคนถามว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจที่เรียกว่าสังขารนั้นที่ว่าเป็นส่วนกุศลแล้วก็เป็นอกุศลอัิยาตนั้นมันเป็นอย่างไรอะก็อย่างที่บอกไว้นั่นแหละว่าในความนึกคิดติดจองในสิ่งที่ชอบเช่นว่าคิดอยากจะทําทานรักษาศีลอันนี้เป็นส่วนกุศลถ้าคิดในทางที่ชั่วเช่นว่าอยากจะฆ่าอยากจะลักทรัพย์ อันนี้ก็เป็นส่วนอกุศลแต่ความตรึกตรองเช่นเกี่ยวกับเรื่องอปวดอุจจาระปัสสาวะอาบนา้าบริโภคอาหารหลับนอ น, นเป็นต้นอย่างนี้ก็คือเป็นส่วนอัพยกายกิตนะมันเป็นกลางๆมันเป็นธรรมด า, าหรือถ้าหากว่ า, าจะมีคนถามว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดเจตสิกธรรมคือสังขารที่เกิดขึ้นอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าความประชุมแห่งอารมณ์ทั้งปวงเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นแห่งสังขารอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้น อาณาจักรภายในมีตาเป็นต้นนะมีตาเป็นต้นวิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นต้นกระทบกันเรียกว่าสัมผัสสัมผัสนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอุเบกขาบ้างเวทนานั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดสัญญาสัญญาก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนี่มันต่อเนื่องกันเรียกว่าเป็นลูกโซ่นะเป็นเป็นลูกโซ่อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อเราได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง เหตุให้เกิดแห่งเจตสิกธรรมแน่นอนที่สุดเราก็จะเข้าใจตามสภาวธรรมตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริงและเมื่อเราเข้าใจตามความเป็นจริงเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสภาวธรรมแน่นอนที่สุดการดํารงชีวิตการดําเนินชีวิตของเราก็เป็นไปในทางที่ชอบนะเรียกว่าเราเข้าใจเรื่องขันธ์ห้าได้ถูกต้องตามความเป็นจริงเราก็ไม่หลงแม้แต่ว่า บางครั้งมันจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บบ้างก็นึกว่ามันเป็นธรรมดานะมันเป็นธรรมดาของสังขารนะมันต้องเป็นอย่างนี้นะเมื่อมีสังขารคือขันห้าขึ้นแล้วแน่นอนที่สุดต้องมีความเสียใจต้องมีความทุกข์ใจนะต้องมีความโศกนะต้องมีความโศกความร่าไรความทุกข์กายทุกข์ใจความเสียใจความตรอมใจนี่มันเป็นเรื่องของขันห้านะแต่ขออย่างเดียวว่าเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันนะอย่าไปยึดมั่นถนะือมั่นมัน ฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าพอขันห้าเกิดขึ้นแค่นั้นแหละทุกความทุกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมาประชุมลงฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงรู้จักละรู้จักวางเมื่อเรารู้จักละรู้จักวางแล้วแน่นอนที่สุดประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราทุกๆคนเป็นอนเนกประการเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องขันห้ามาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร จเจริญศักท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้ก็จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะพูดถึงในหมวดที่หกในหมวดที่หกเกี่ยวกับเรื่องคาระวะหกอย่างคือหนึ่งคือให้เราเคารพในพระพุทธ สองให้เราเคารพในประธรรมสามให้เราเคารพในประสงค์สี่ให้เราเคารพในการศึกษาห้าให้เราเคารพในความไม่ประมาทหก 6. ให้เราเคารพในปฏิสันฐานนะเมื่อเราเคารพในหลักหกประการนี้แล้วแน่นอนที่สุดอความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นแก่เรานะเกิดขึ้นแก่เราฉะนั้นก็จะขยายความให้กว้างขวางออกไปอีกนิดหน่อยว่า คำว่าคาระวะแปล ว, ว่าการเคารพหรือว่าแปลว่าการเคานักแปล ว, ว่าการนอบน้อมก็ได้แปล ว, ว่าการจราบไหว้การบูชาการลุกขึ้นตอนรับหรือว่าการส่งให้อาสนะการให้หนทางเป็นต้นตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติที่มันเป็นคาระวะเป็นการเคารพในที่นี้จึงได้ชื่อว่าเป็นคารวะนะเป็นคาระวะคาระวะนี่บางที่เขาก็แปลว่าเป็นพู้นักนะหนักในพระพุทธ หนักในประธรรมหนักในประสมหนักในการศึกษาหนักในความไม่ประมาทหนักในปฏิสันฐานนี่อันนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ความมุ่งหมายก็คือว่าให้เราเคารพนะเคารพด้วยกายด้วยใจนะเคารพด้วยกายด้วยใจถ้าหากก็จะมีคําถามบอกว่าพระพฤติเช่นไรนะจัดเป็นความเคารพความเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้านะเช่นไรจัดว่าเป็นความ เคารบควา ม, มเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ทําให้มีปัญหาที่เราควรจะคิดให้ถูกต้องเพราะว่าเราทุกวันนี้บางครั้งเราก็ทําไม่ถูกต้อง<ม>ทําไม่ถูกต้องเราไปกราบพระกราบไม่ถูกพระ<ม>กราบไม่ถูกพระอันนี้ก็มีเยอะท่า น, นคนโบราณจึงบอกว่าถาวายพระพุทผิดก็ไปติดพระทองค<ม>ําำไหว้พระธรรมผิดก็ไปติดใบลาน ไหวประสงค์ผิดก็ไปติดลูกหลานนี่เคยไม่ถูกไม่ถูกประพฤติธรรมประสงค์สักผิดนะไม่ถูกสักผฉะนั้นบางครั้งเราก็เคารพกันไม่ถูกบางคนขอประทานโทษอันนี้เคยเคยได้อบรมสั่งสอนมประชาชนแล้วก็ได้บอกว่าญาติโยมที่เข้ามาตังวัดตําวาเนี่บางคนก็แสดงอาการเคารพที่ไม่ถูกไม่ต้องเนะช่นว่าจะกราบพระก็กราบไม่เป็น กราบพระยังกราบไม่เป็น <c oughs> ใช่ท่านอาจจะบอกว่ากราบด้วยใจมันก็ได้แต่ว่าสำหรับคนที่เข้าใจถูกต้องแน่นอนที่สุดเขาต้องแสดงทางกายและวาจาให้พร้อมกั น, นให้พร้อมกันเพราะว่าใจนั้นเป็นนายกายเป็นเบาการที่เราทำอะไรไป น, นั้นมันฟ้องถึงใจว่าเรารู้ดีหรือเปล่ารู้ถูกหรือเปล่านี่ฉะนั้นอันนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่เราควร ควรจะทําความเข้าใจให้ถูกต้องนะการเคารพในพระพุทธก็คือว่าให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเคอใครพระพุทธเจ้าเคยใครคำว่าพุทธะนี่แปลว่ารู้รู้คือรู้อะไรอรู้ก็คือรู้อริยสัจสี่นั่นเองคือรู้ความจริงอันประเสริฐรู้ความจริงที่ปราศจากค่าศึกก็คือรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับทุกขรู้หนทางให้ถึงความดับทุกนี่แหละคือตัวพุทธะ ตัวพุท ธ, ธะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าอันนี้เป็นตัวพุทธะหรือเป็นตัวพุทธเจ้าพุทธเจ้านี่เป็นนามธรรมน ะ, นะบางคนก็พูดบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะกับพระสัมมาเจ้านั้นเป็นคนละคนเจ้าชายสิทธัตถะนั้นหมายถึงเป็นรูปธรรมแต่ว่าพระสัมมาสัมเจ้านั้นหมายถึงเป็นนามธรรมเพราะว่าที่เป็นพระสัมมาเจ้าน่ะเป็นตรงที่รู้รู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ทางให้ถึงความดับทุกข์นี่แหละ ความรู้นี่แหละเป็นนามธรรมนะเป็นนามธรรม <c oughs> ฉะนั้นการที่เราปลูกศรัทธาความเชื่อและประสาทความเลื่อมใสลงในพระพุทธเจ้าอย่างแน่นแฟนแล้วแสดงตนเป็นพุทธมามะกะคือผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่นับถือของของตนด้วยกายวาจาใจนะพร้อมตรทวายอย่างนั้นแล้วปฏิบัติศาสนาซึ่งอันเป็นคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยจิตใจที่มั่นคงด้วยจิตใจที่เคารพและเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละจะได้ชื่อว่าเรานั้นมีความเคารพในพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องนะเคารพในพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องอีกอย่างหนึ่งหรือเราคำนึงถึงพุทธคุณนะพุทธจัญญาด้วยยานเีชาอันแจ้งชัดเพื่อบารุงศรัทธาเลื่อมใสให้เจริญขึ้นตามคราวแล้วถือเอาเป็น คติเตือนใจสอนใจแน่นอนที่สุดการที่เราทำอย่างนี้จะได้ชื่อว่าเราเอื้อเฟื้อแล้วก็เคารพในพระพุทธเจ้าอีกในหนึ่งก็คือว่าการไม่เล่นปลารบพระพุทธเจ้าคือเอาเรื่องของพระองค์มาทำเล่กนหรือว่าทำพูดเล่นโดยปฏิกิริยาท่าทางต่างๆเดีย๋ยวโดยพูดโดยอาหารก็คือว่าทำตลกขานองเพื่อความสนุกสนานสวนเสหาเช่นนี้ก็จัดว่า เป็นความเคารพเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้าคือหมายความว่าไม่เอาเรื่องของพระองค์มาพูดจาเป็นตลกขนานองสวนเสหาอืมนี่ก็ถือว่าเป็นก า, ารเคารพเอื้อเฟือในพระพุทธเจ้าอีกในหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเข้าไปในปูชนียสถานต่างๆเช่นในโบสถ์ในวิหารลานเจดียในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีสถูปหรือพระปฏิมาต่างๆแล้วก็ควรแสดงความยำเกรงคือนับถือเคารพ บ, บูชา เช่สนสวมหมวกอยู่ก็พึงถอดออกนะใส่รองเท้าอยู่บางทีวังคนที่เข้มขัดก็ถึงกับถอดรองเท้ากั้นร่มอยู่ก็ลดร่มนะลด่มนะแล้วทําสักการะบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนหรือด้วยการอภิวาทสศาบหวาก็จัดเป็นความเคารพเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้านะเป็นความเคารพเอื้อเฟือในพระพุทธเจ้าอีกเหมือนกันฉะนั้นเราทุกวันนี้จึ้ได้บอกว่าบางทีเคารพกันไม่ถูกต้องนะเคารพกันไม่ถูกต้องนะอันนี้ก็ มีหลักฐานที่พระพุทธองค์ได้จัดไว้เมื่อพระองค์ใกล้จ ะ, สะเสด็จดับขันธปนิพานได้จัดบัญหารกับพระอา น, นุนพุทธกระทากว่าโยโคอนันทภิโกวาพิสุณีวาอุปาสโกวาอุปาสิกาวาเป็นต้นมีใจความว่าดูก่อนพระอานนุ์บุคคลใดเป็นพิษุ น, กนษีก็ตามเป็นพิษุก็ตามเป็นพิษุนีก็ตามเป็นอุบาสกก็ตามเป็นอุบาสิกาก็ตาม เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมบุคคลผู้นั้นชื่อว่าสักการะเคารพนับถือเราบูชาตถาคต ด, ด้วยการบูชาอย่างยิ่งคือปฏิบัติทีบูชานีคือปฏิบัติทีบูชาผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เอื้อเฟื้อเคารพในพระพุทธเจ้าเนีเป็นผู้เอื้อเฟื้อเคารพในพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นความหมายว่าให้เรานั้นเคารพในพระพุทธเจ้าก็คือพุทธคารวตา นะพุทธคาลาคาเขารบในพวกเราต้องทําอย่างนี้จึงจะถูกต้องนะจึงจะถูกต้องตท่านก็ลองถามตัวท่านเอง <c oughs> นักเรียนนักศึกษาญาติโยมลองคิดดูว่ า, ท, าท่านท่านทําอย่างที่อาตมาพูดไหมนะถ้าว่าทําอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็ได้ชื่อว่าท่านนั้นปฏิบัติถูกต่อพระพุทธเจ้านะต่อพระพุทธเจ้าเรียกว่าไหวพระพุทธไม่ผิดกราพระพุทธไม่ผิดนะบางคนยังไม่รู้เลยว่าพุทธคุณคืออะไร บางทียังเคยบอกเอายอมไหนลองสวดพุทธคุณหน่อยดิไม่รู้ว่าพุทธคุณคืออะไรเมื่อโยอมไม่รู้นักเรียนก็ไม่รู้นะไปถามนักเรียนแต่ละคนก็บอกไม่รู้ไม่รู้ว่าพุทธคุณคืออะไ ร, มไมร น, ร น, ไรนะนรนแตะ่ว่ า, อ, อ, วาอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารนาสัมปันโนสุกโตโลกวิทวนุตรโรปุริสธรมมมาราติสัตถาเทมนนททุนุสานังพุทโภภควาตินี่อันนี้เราก็บางทีก็ไม่รู้จากพุทธคุณขนาดโตมาตั้งอายุ อาสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีสามสิบสี่สิบ้าสิบปสิไม่รู้แล้วก็หมดท่าแล้วนะความเป็นพุทธของเรานั้นก็เป็นแต่เพียงสัญชาติมีอยู่ในใบสัมโนโครัวแค่นั้นเองแต่เราไม่ได้เป็นด้วยกายใจไม่ได้เป็นด้วยวิญญาณนะไม่ได้เป็นด้วยวิญญาณฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราต้องรู้จักแก้ปัญหานะแก้ปัญหาตามหลักของอริยสัจสี่ก็คือว่าให้เรารู้จักตัวปัญหาแล้วให้รู้เหตุที่เกิดปัญหา แล้วให้รู้ความที่อให้รู้จกักอาหาทางขาจัดปัญหาแล้วก็ให้รู้แนวทางที่จะขจัดปัญหานั้นให้หมดไปเอเมื่อเรารู้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรารู้หลักแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่นะตามหลักอริยสัจสี่นี่เป็นอข้อแรกมาในข้อที่สองธรรมคารวตาก็คือเคารพในพระธรรมนะ การเคารพในพระธรรมคื อ, อยังไงพระธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะพระธรรมคือคําสั่งสอนของพุทธเจ้าอันนี้ถ้าจะเล่นแรกแปรธาตให้ขยายกว้างๆออกไปนะคาว่าธรรมะนี่ก็คือธรรมชาตินะแปล ว, ว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งก็หมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วเป็นธรรมชาตินะทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ตัวเราอยู่รอบตัวเราเนี่เป็นธรรมะทั้งนั้นนะเป็นธรรมะทั้งนั้นแล้วมันมันมีอยู่ในคู่กับโลกนีนมาแล้ว เกิดก่อนพระพุทธเจ้านะอันนี้ก็เคยถามนักเรียนนักศึกษาไม่ว่าจะมีความรู้เป็นข้าชการอที่เคยมาบวชเป็นในพนหรือในพันเป็นในร้อยนะแต่เคยถามว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยใครเกิดก่อนนะก็มักจะตอบกันว่าพระพุทธเกิดก่อนนะีะบางคนก็ตอบว่าพระธรรมบ้างแต่ก็ให้เหตุผลไม่ได้เนะี่แต่บางคนก็ว่าพระสงฆ์เกิดก่อนนักเรียนก็ในทํามลองเดียวกันมักจะตอบกันว่าไม่พระพุทธก็พระสงฆ์ จริงๆแล้วพระธรรมนั้นมีอยู่ก่อนพระธรรมนั้นมีอยู่คู่โลกพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็าตามอาธร ร, รมะนั้นมีอยู่แล้วพระธรรมนั้นมีอยู่แล้วแต่ว่าเราแต่ว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบเมื่อเจ้าชายสิทธัตถ์ได้แสวงหาโมฆะธรรมนจนถึงที่สุดได้สละราชสมบัติออกผนวชออกผนวดค้นคว้าหาสัจธรรมจนรู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละจึงได้ เป็นสัมมาสัมพุทธะหรือคือสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้มาบอกขับผู้เราว่าอย่างนี้อเป็นกุศลธรรมนะอย่างนี้เป็นอกุศลธรรมนะอย่างนี้เป็นอัพยาเกตนะออย่างนี้เป็นความดีอย่างนี้เป็นความชั่วนะนี่เขาบอกให้เรานี่ก็เพราะอาศัยพระปีชายาญของพระธรรมคดนั่นเองนะฉะนั้นนี่เนี่ยเป็นความหมายของคําว่าธรรมะหรือธรรมชาติหรือจะพูดอีกในหนึ่งว่า พูดอย่างภาษาชาวบ้านทั่วไปหรืออย่างนักเรียนเด็กๆก็จะต้องพูดว่าธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะนคําคําว่าคําสั่งสอนเนี่ยมันมีความหมายที่น่าคิดอยู่สองคำคำสั่งกับคําสอนคําสั่งนี้ได้แก่พระวินยัยนะคําสอนก็ได้แก่ตัวธรมนะ ร, รมะนะศีลก็คือวินยัยวินัยก็คือศีล น, นะวินัยก็คือศีลเป็นข้อห้ามนะเป็นข้อห้าม ในการป้องกันความชั่วที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจานะส่วนธรรมะนั้นเป็นข้อปฏิบัติไม่ได้ห้ามใครจะประพฤติก็ตามไม่ประพฤติก็ตามผลมันมีอยู่ที่การประพฤติปฏิบัตินั้นทำดีก็ต้องในดีทำชั่วก็ในชั่วนี่เป็นความหมายของธรรมในข้อที่สองว่าคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะในข้อที่สามก็คือว่ากฎของธรรมชาติก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ของสภาวะธรรมนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดนะขึ้นตั้งอยู่ดับไปอริจังทุกขังอนัตตานี่เป็นกฎของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าจะพูดสรุปสั้นๆก็คือว่าธรรมะก็คือข้อปฏิบัตินะนนี้ถูกต้องนะสั้นๆที่สุดคือข้อปฏิบัติเราจะรู้ว่าเป็นคนนี้จะดีจะชั่วนั้นอยู่ที่การปฏิบัตินะมีธรรมไหมไม่มีธรรมหรือว่ามีธรรมนะมีสัจจะหรือไม่มีสัจจะ ี่มีการเสียสละหรือไม่มีการเสียสละนี่แหละเราจะรู้ว่าเราดีเราชั่วนั้นดูที่การประพฤติการปฏิบัติเหมือนอย่างาที่คํำครงเขาบอกว่าสายสายบัวบอกลึกต้นชนลทานมารยาทสอนสันดานชาติเชือ้อนี่เนี่ยคือให้คนรู้หรืออย่างที่บอกว่าสำเนียงบอกภาษากริยาบอกสกุลอชั้นใดก็ฉันนั้ น, นฉะนั้นที่บอกว่าธรรมะก็คือข้อปฏิบัติฉะนั้นคําว่าธรรมะนเนี่ย จำแนกออกเป็นสองคือเป็นคุณคือเป็นคุณอย่างหนึ่งกับเป็นเป็นกิจที่พึงกระทำอย่างหนึ่งเป็นคุณหรือ่าเป็นกิจก็คือเป็นกรณียะอย่างหนึ่งที่ว่าธรรมะเป็นคุณนั้นก็ได้แก่สัตธรรมเจ็ดประการสัตธรรมเจ็ดก็คือกรณีที่เป็นไปตามกุศลคือบุคคลใดมีหน้าที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ ชื่อว่าธรรมะอะชื่อว่าธรรมะก็คือการณิย ะ, ะชื่อว่าการณิยะอะขอประธานโทษที่บอกว่าธรรมะเป็นคุณนั้นก็ได้แก่สัจธรรมเจ็ประการสัตธรรมเจ็ดได้แก่อะไรก็ได้แก่พวกศรัทธาคือความเชื่อนศรัทธาคือความเชื่อเช่นว่าเชื่อกรรมำเชื่อผลของก ร, รมำเชื่อสัตว์ทั้งหลายมีกรำเป็นของของตน เชื่อประปีชายานของพระตถาคตอย่างนี้แหละเรียกว่าตัวศรัทธาตัวที่สองก็คือศีลศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยตัวที่สามคือหิริความละอายแก่ใจตัวที่สี่ก็คืออดตับะความเกรงกลัวตัวที่ห้าก็คือพาหุจัจจความได้สดับตรัพฟังมามากตัวที่หกก็ได้แก่ตัวจากคะคือการเสียสละตัวที่เจ็ดก็ได้แก่ตัวปัญญา ได้แก่ตัวปัญญาทั้งหมดนี้เรียกว่าทำที่เป็นคุณนะทำที่เป็นคุณได้แก่จัตธรรมเกิดประการทีนี้ทำที่เป็นเกณฑ์ะนั้นเป็นไปตามบุคคลคือบุคคลใดมีหน้าที่จะต้องประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ชื่อว่าธรรมะคือเกณฑ์นัคือหมายถึงว่าหน้าที่ที่เราจะต้อง ต้องปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นพ่อหน้าที่ของความเป็นแม่หน้าที่ของความเป็นลูกหน้าที่ของความเป็นนักเรียนหน้าที่ของความเป็นสมณนะนี่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่อันนี้แหละคือกรณนิยะคือกระนิยะคือหมายถึงว่าเป็นกิจที่ควรประพฤติควรจะทําควรปฏิบัติเช่นการบำเพ็ญไตรสิกขาของพิสุก็จัดว่าเป็นสมณะธรรมธรรมคือคุณย่อมเป็นอุปการะอุดหนุนธรรมคือกรณนิยะอคือกรณนิยะ ให้เราจะประพฤติเช่นใดอืนะจึงจะจัดว่าเป็นการเคารพเอือ้อเฟื้อในพระธรรมการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นธรรมมาทิปไตยก็คือหมายว่าปฏิบัติโดยความถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมนะไม่ไม่มีการอากระทบตนและกระทบผู้อื่นก็คือว่าไม่มีบานไม่มีการเบียดเบียนผู้อื่นนะไม่เบียดเบียนตนเองด้วยไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยอันนี้เราได้ชื่อว่าเรา ดำรงชีวิตด้วยความยุติธรรมดำรงชีวิตด้วยความถูกต้องนะด้วยความถูกต้องนะไม่ประพฤติอปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นอัตาตาทิปไตยหรือโลกาทิปไตยเอาตัวเองเป็นใหญ่เอาชาวโลกเป็นใหญ่ใช่ถ้าหากว่าไม่มีธรรมมาธิปไตยแล้วก็ในอธิปไตยสองอย่างระหว่างอัตาตาทิปไตยกับโลกาธิปไตยอะอะไรจะดีกว่าโลกาทิปไตยก็ดีกว่าคือเอาชาวโลกเป็นใหญ่นะที่เราเรียกว่า ประชาธิปไตยนั่นเองประชาธิปไตยย่อมดีกว่าอัตตาธิปไตยในคนที่เอาเหตุเอาตัวเองเป็นใหญ่ทำอะไรก็เอาตัวเองถูกอยู่ด้วยนะปลาลบตัวเองปลารบเพื่อพร้อมของตัวเองอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นอัตตาธิปไตยแต่คนที่เอาชาวโลกเป็นใหญ่เอาคนหมู่มากเป็นใหญ่เรียกว่าประชาธิปไตยนะแต่ว่าธรรมมาธิปไตยนั้นเหนือกว่าในสองอย่างนี้บางครั้งคนเป็นน้อยเป็นพันคนอาจจะคิดไม่ถูกก็ได้คนคนเดียวคิดถูกก็ได้อย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นธรรมมาธิปไตย ทำมาธิปไตยแต่ว่าถ้าหากว่าเอาประชาธิปไตยแล้วบางครั้งก็อาจจะผิดพลาดได้นผิดพลาดได้เพราะบางครั้งไอ้คนสองสามคนที่คิดถูกก็พลอยตกไปเพราะเอาคนส่วนใหญ่เป็นหลักนแต่ว่าถ้าเป็นทรมาธิปไตยแล้วก็แน่นอนที่สุดไม่คํานึงถึงว่าจะมากหรือจะน้อยแต่เอาความจริงเอาความถูกต้องเอาความยุติธรรมเป็นใหญ่อย่างนี้แหละก็จะได้ชื่อว่าเป็นการเคารพเอื้อเฟื้อในพระธรรมน ก็ขยายออกไปก็คือว่าบุคคลผู้ประพฤติและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนนะปลารบตนเป็นใหญ่หวังจะให้ตัวเองจเจริญหรือหวังจะให้เขาจเจริญอย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่เป็นธรรมาธิปไตยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติหรือประพฤติปฏิบัติตหน้าที่ของตนเพื่อเอาพวกพ้องของตนเอาญาดของตนมาอย่างนี้ก็จัดเป็นประชาธิปไตยคื อ, อยังปลา ร, ร, รบคนทวนใหญ่ฮนะ ตารบคนตัวใหญ่อันนี้ก็ยังไม่ยุติธรรมโดยแท้จริงนะแต่ว่าถ้าหากว่ายุติธรรมโดยแท้จริงนั้นจะต้องไม่ปารบตนแล้วก็ไม่เอาญาติเอาพว ก, กของเป็นใหญ่แต่เอาความจริงเอาความถูกต้องเป็นใหญ่อย่างนี้ใช้ได้นะ <roller. S 2> อย่างนี้ใช้ได้<อ>ฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าหากว่าเราเคารพในพระธรรมนั้นเราจะต้องเคารพโดยถูกต้องการเคารพโดยถูกต้องก็คือด้วยการปฏิบัติธรรมนะด้วยการปฏิบัติธรรมก็คือ ทำอยู่ในกิจของตนนะเมื่อเราทําอยู่ในกิจในหน้าที่ของตนแน่นอนที่สุดคนทุกคนก็จะเจริญสังคมก็จะเจริญประเทศชาติก็จะเจริญนะแต่ว่าเราทุกคนนีไม่ทํากิจไม่ทําหน้าที่ของตนมันก็เจริญขึ้นไม่ได้นะจเจริญขึ้นไม่ได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนได้พึงทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นะก็ย่อมจะได้อคุณคือธรรมะเช่น มีวิิยะมีสติมีปัญญานะก็สามารถที่จะชนะอุปสรรค ต, ต่างๆได้นะ ต, ต่างๆได้ฉะนั้นอันนี้แหละเมื่อเรามาละเลิกนึกถึงธทรร อ, อถึงคราวเข้าบางครั้งในทรัพย์อวัยวะแม้ชีวิตก็ต้องสละได้ทางนั้นนะต้องสละได้ทางนั้นอย่างนี้ก็จัดเป็นการเคารพในพระธรรมเหมือนกับภาะิทิที่ว่าสละทรัพเพื่อรักษาอาวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือหมายถึงว่าเคารพธรรมเป็นใหญ่อเอาธรรมเป็นใหญ่เมื่อเอาธรรมเป็นใหญ่แล้วก็แน่นอนที่สุดชีวิตก็เสียสละไดะ้ชีวิตก็เสียสละได้ฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาและท่านสาวผู้ชนทั้งหลายเมื่อท่านได้ฟังเรื่องการเคารพธรรมและขอให้ท่านได้ปฏิบัติในธรรมที่ถูกที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนการปฏิบัติธรรตามหน้าที่ของตนในทางที่สุดจริีนั้นแน่นอนที่สุดก็จะเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่ตัวเอง สังคมประเทศชาติแล้วก็จะมีแต่ความสุขความเจริญแต่การต่อมาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโดยเหตุที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตัดแก่พรามผู้หนึ่งในการเข้าไปเฝ้าทูลถามว่าการบูชาพระพุทธรัตนะและพระสังฆรัตนะปรากฏอยู่ทำเช่ไหนจะเป็นอันได้บูชาพระธรรมรัตนะเล่าพระองค์ได้ตรัสแก้ว่าถ้า ศารถนาจะบูชาพระธรรมรัตนะก็ให้บูชาพิสูตผู้เป็นพระโสูตรรูปหนึ่งนะอาศัยเหตุนี้ได้ความว่าการเคารพเอื้อเฟื้อในพระธรรมก็คือเคารพเอื้อเฟื้อในพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมนั่นเองนะคนที่เคารพเอื้อเฟื้อในพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมนะคือการบูชาธรรมนะอันนี้ก็เป็นข้อที่ผู้ฟังทั้งหลายก็ ควรจะจดจำเอาไว้จดจาเอาไว้ว่าการปฏิบัติธรรมในหนึ่งก็คือว่าเคารพเอื้อเฟื้อในพิสุผู้ทรงศีลทรงธรรมประการที่สามาสังคาระวะตาก็คือเคารพในพระสงฆ์คำว่าพระสงฆ์นั้นก็หมายเอาภาษาวกที่ได้บรรลุธรรมพิเศษเต่างโดยประเภทก็มีโสด า, าบันสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหรันต์ โดยปริยาอย่างต่ำเรืออ่องอารมณ์ตามสมัยนี้พระสงฆ์ท่านหมายเอาผู้มีศีลบริสุทธิ์มีมารยาสงบงเฉงี่ย ม, มีคุณธรรมน่าเคารพนับถือท่านผู้เช่นนี้ชื่อว่าพระสงฆ์การเคารพเอื้อเฟื้อในพระสงฆ์นั้นก็คือการกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีการทำสามีติกรรมตลอดถึงการทำเอื้อเฟื้อต่างๆเชื่อฟังด้วยคำสั่งสอนของท่านปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านไม่แสดงอาการดูหมิ่นดูแพนอไม่แสดงอาการดูหมิ่นต่อรูแพนหรือเหยียดหยาม โดยที่ทำความเห็นว่าท่านเป็นผู้แทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นทายาิของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแห่งทศาสนานะถ้าเราคิดอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเรานั้นเคารพในพระสงค์โดยถูกต้องนะโดยถูกต้องปร ะ, ะการที่สี่ประการที่สี่ก็คือว่าให้เราเคารพในการศาึกษาก็คือสิกขคารวตา ให้เราเคารพในการศึกษาก็คือความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในศินละปะวิทยาการต่างๆทั้งที่เป็นทางโลกแล้วก็ทั้งที่เป็นทางธรรมอันจะนํามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นโดยไม่เกี่ยงข้ามประกอบโดยคุณธรรมสีประการที่เรียกว่าอิทธิบาทคือฉันทะความพอใจในกิจที่ทําคําที่พูดวิยะคือความขยันหมั่นเพียรในกิจที่ทําคําที่พูด กิจตาเอาใจใส่ในกิจที่ทําคําที่พูดในงานที่เรากระทำนั้นอวิมังสาก็คือพิจารณาตรวจตาในกิจการงานที่ทําคําที่พูดทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปโดยถูกต้องอะไรผิดพลาดก็กรับปรงแก้ไขเราทําอย่างนี้ได้โดยสมบูรณ์อย่างในข้อจัดว่าเป็นการเคารพการเอื้อเฟื้อในการศึกษานในการศึกษาแต่ถ้าหากว่าเราขาดอิธิบาติก็คือไม่พอใจในความเป็นนักเรียนไม่พอใจในความเป็นนักศึกษาไม่พอใจในความเป็นพระสงฆ์องค์เลน ไม่พอใจในความเป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนที่สุดเราก็จะทําหน้าที่นั้นให้บกพร่องนะทาหน้าที่บกพร่องความเป็นนักเรียนนั้นจะต้องขยันทุกสิ่งทุกอย่างคนเราจะต้องขยันเรียนขยันศึกษาตามหน้าที่ของตนเพื่อให้การดํารงชีวิตนั้นเป็นไปด้วยดีนะเป็นไปด้วยดีเป็นไปด้วยความสุขเป็นไปด้วยความสงบเมื่อในครอบครัวสงบแน่นอนที่สุดสังคมก็สงบเมื่อสังคมสงบประเทศชาติก็ย่อมอยู่เย็นเป็นสุขมีความสงบอีกเหมือนกัน ประการที่ห้าก็คือให้เราเคารพในความไม่ประมาทนะไม่ประมาทก็เมื่อเราเคารพในความไม่ประมาทแน่นอนที่สุดเมื่อเรามาได้ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงจนถึงที่สุดแล้วทั้งในทางโลกและในทางธรรมในทางโลกบุคคลผู้ใดได้รับการศึกษามีวิชาย่อมชื่อว่าตั้งตนไวในด้วยดีนะตั้งตนไวดีวิชาที่จะส่งเสริมให้เราได้บรรลุ ความเป็นใหญ่แล้วก็เป็นปัจจัยให้เราสมบูรณ์ด้วยความสุขความเจริญคนทั้งหลายก็ย่อมนับหน้าถือตารวมควมว่าวิชาเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลแม้สุภาษิตที่สันเสริญวิชาก็มีอยู่ว่าไม่มีเลยทรัพย์ที่ะจะเท่าเทียมศิลปะเพราะศิลปะพวกโจรก็ลักไปได้ในโลกนี้ได้ศิลปะเป็นเพื่อนในโลกหน้าก็จะนานาสุขมาให้หรืออย่างที่ท่านสุนทนผู้ผู้เป็น ปราดในทางกาบกรอนท่านยังได้กล่าวไว้ว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกฐานถินใดไม่ขาดแคลนถึงยากแค้นก็พอยังประทังตนนี่ฉะนั้นคนมีวิชาความรู้แน่นอนที่สุดคนนั้นย่อมจะเป็นที่เชื่ชูทั้งทางโลกและทางธรรมและคนนั้นเป็นที่อาประเทศชาติต้องการประเทศชาติต้องการในศาสนาก็ต้องการฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้น พยายามศึกษาหาความรู้นะแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะไม่ประมาทในกาเรเล่าเรียนศึกษาทั้งทางโลกทางธรรมทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่รู้อย่างเดียวแต่ขอให้รู้ให้กระจ่างมันก็เป็นประโยชน์แก่เราเขาจึงบอกว่าให้ความ ร, รู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนะอาจจะชักเชื้อชูฟูสกลถึงคนจนพงไพ้คงได้ดีนะสังเกตดูสิ บางคนนี่เขาประกอบอาชีพ อ, อด้วยตั้งโรงงานทําไมอ้อจิ้มฟันอย่างเดียวก็สามารถที่เลี้ยงครอบครัวได้เป็นมหาเศรษฐีได้เพราะถุงงอกขายอย่างเดียวก็เป็นมหาเศรษฐีได้เรียกว่าขอให้เราทําจริงๆนะศึกษาให้รู้จริงๆนะอย่างนี้เรียกว่าเราดํารงชีวิตยอยู่ด้วยความไม่ประมาทหรืออย่างกับที่สุภาษิต อ, อที่ได้ว่าคนเหล่านั้นจะรูปดีหรือชั่วอย่างไรก็ ขอให้มีความรู้ดีใช้ได้ปฏิบัติดีใช้ได้แต่ถ้าเราหักว่าปฏิบัติไม่ดีต่อให้โรคสวยงามโรครออย่างไรก็ไม่ใช่ว่าผู้นั้นเป็นคนดีก็กลายว่าเป็นคนประมาทนะเป็นคนประมาทคนประมาทก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วนะคนที่ตายแล้วไอ้คนที่ตายแล้วนะมันก็ยังว่าแล้วไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรเลยนะมีชีวิตเป็นอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วฉะนั้นการที่เราเคารพในความไม่ประมาทก็คือว่าเท่ากับว่าเรานี้ ได้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะด้วยความแกล้าก ล, า, นะกลาหาญชานชทยในการประกอบนะกิจการงานน้อยใหญ่ต่างๆไม่หวัดวันท่านพึงนะโดยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำกันนั้นถูกต้องนะถูกต้องตามสภาวะธรรมถูกต้องตามความเป็นจริงนะแล้วก็เหมาะสมกับนะตัวเราครอบครัวของเราประเทศชาติของเราดันั้นอันนี้แหละคือว่าเราก็ได้ที่ว่าเราเคารพในการ ในความไม่ประมาทนะเราเคารพในความไม่ประมาทคนที่ไม่ประมาทก็คือคนที่ประมาทก็คือคนที่ขาดสตินั่นเองคนที่ขาดสติก็คือคนที่ประมาทฉะนั้นคนที่ไม่ประมาทก็คือคนที่ไม่ขาดสติฉะนั้นขอให้เราจงเป็นคนไม่ประาศจากสติเหมือนกับพระดำํำรัสที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ตอนท้ายว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะมาจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเมื่อคน ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแล้วความสุขความสงบความเจริญต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นในข้อสุดท้ายก็คือว่าให้เราเคารพในปฏิสันฐานนะคนเราเมื่อเคารพในปฏิสันฐานแล้วแน่นอนที่สุดก็จะมีแต่ความสุขความสวัสดีได้เพราะว่าการปฏิสันถานนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งของคนเราคนเรานั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่ตัวคนเดียวนะไม่ใช่อยู่ตัวคนเดีย ว, นะย ว, ค, นยวคนเรานั้นจะต้องอยู่กันเป็นกลุ่มอ่าเป็นหมวดเป็นหมู่มีเพื่อนมีพ้อง การที่เรามีเพื่อนพ้องนั้นแน่นอนที่สุดเราจะต้องมีการสนทนาปราศัยกันฉะนั้นการปฏิสันฐานนั้นชื่อว่าเป็นการต้อนรับด้วยไมยตรีจิตจําแนกออกเป็นสองก็คือว่าต้อนรับด้วยอา mith พวกข้าวน้ำวัตถุสิ่งของต่างๆแล้วก็ต้อนรับด้วยธรรมก็คือการสนทนาปราศใสให้เหตุให้ผลในการแนะนำท่านสอนในทางที่ดีที่งามกันถ้าหากว่าเรารู้จักต้อนรับให้เหมาะสมกับ ในสองลักษณะคือทั้งเอามิตรด้วยทั้งทําด้วยแน่นอนที่สุดประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นไอสิ่งที่ร้ายก็จะกลายเป็นดีเอาละเมื่อพูดเกี่ยวกับเรื่องคาราวะหกอย่างก็คิดว่าท่านนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายก็พอจะเข้าใจได้ดีว่าประการแรกก็คือให้เราเคารพเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้าประการที่สองให้เราเคารพเอื้อเฟื้อในพระธรรมประการที่สามให้เราเคารพเอื้อเฟื้อในพระสงฆ์ประการที่สี่ให้เราเคารพ เยื่อเฟื่อในการศึกษาประการที่ห้เราเคารพในความไม่ประมาทประการที่หก็คือเราเคารพในการสติสัมปันเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในที่สุดแทงการบรรยายนี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร